ธรามเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12กันยายน2555มีชื่อเรื่องว่าเปรตงูเมื่อเช้าเห็นลิง มันก็คงหิวอาหารลงมาแย่งอาหารที่เขาใส่บาตรพระบางวันก็มากแต่วันนี้รู้สึกว่ามันยุ่งพอสมควรลิงในวัดของเราในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมที่สัตว์ทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปถ้าว่าทำบุญเป็นบุญก็ต้องทำบาปเป็นบาปเหมือนกันนะ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 เขาควนได้บุญแล้วก็จากนั้นก็ไปสู่สวรรค์อันในสงแห่งการปฏิบัติพระพุทธเจ้าแต่ในการทําบาปพวกสัตว์ทั้งหลายทําบาปเป็นบาปไหมก็เป็นบาปเหมือนกันคือในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปราลบเรื่องเปรตพระพุทธเจ้าเจดระทับอยู่ที่กรุงราชาคือ พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระหลายรูปหลายร้อยรูปที่กรุงราชจะคืแต่พระโมกคลากับพระลักษณะท่านขึ้นไปจําวัดไปพักแรมอยู่ที่เขากิจกุฎในกรุงราชจะคือพอตอนเช้าพระโมกคลากับพระลักษณะลงมาปิดท่าบาท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 ท่านอยากจะถามยังค่อยถามผมได้นะแต่การนี้ยังไม่เหมาะที่จะตอบปัญหานี้พระลักษณะกัครับผมจากนั้นก็ไปบินทบาทพอบินทบาทในกรุงราชจะคือจากนั้นก็ฉันอาหารพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์คงจะรับพระสงฆ์หรือวักรับแขกในก่อนในหลังที่ฉันอาหาร พระโมกขลากับพระลักษณะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นก็มีพระสงฆ์มีคงจะมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่แต่จะมีอุบาสกอุบาสิกาด้วยหรือไม่แต่มีพระสงฆ์หลายหมู่งหลายองค์นั่งพอนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ปรารถามเรื่องราวในพระสงฆ์จากนั้นพระลักษณะก็เลยถามขึ้นว่า ท่านอาจารย์โมคขลาครับที่ท่านอาจารย์ลงมาจากตีนเขาคิสกูดนั้นท่านได้ยิ้มกระผมก็ได้ถามพระอาจารย์ว่ายิ้มด้วยเหตุอันใดครับท่านอาจารย์ตอบว่าให้เราไปอยู่ตอบหน้าพระพักพระพุทธเจ้าซะก่อนยังค่อยถามในเรื่องนี้แต่บัดนี้มาอยู่ต่อนหน้าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธเจ้าแล้วผมขอถามว่า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 ลามมาถึงศีรษะแล้วข็ลามจากศีรษะจุดที่หางลามจากหัวจากศีรษะลงไปถึงกลางตัวแล้วข็ลามจากกลางตัวไปถึงหัวถึงศีรษะถึงหางคล้ายๆไฟไหม้อยู่ตลอดเขาได้รับทนทุกทรมานด้วยบาปกรรมอะใดพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ต่อหน้า พระพุทธองค์บอกว่าที่โมฆคลาพูดนี่ถูกต้องเราก็ได้เห็นในเมื่อวันตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมพุทธญาณที่โคลนต้นโพนเราเห็นเปรตเหล่านี้เรามองเห็นเราเห็นกรรมกรรมของเปรตเหล่านี้เราเห็นได้พระสงฆ์ก็เลยถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าด้วยบาปกรรมอันไหนพระพุทธเจ้าค่ะคือพระพุทธองค์รับรอง ว่าพระโมคขาลาเห็นเปลนีม่มีจริงๆเราก็เห็นอไม่ใช่จะเห็นแต่โมกคลานะไอ้คแค่ว่ารับรองความรู้ความรู้ความเห็นพรโมกคลาที่เห็นแล้วนั้นพระพุทธเจ้าตรรับรองแต่พระองค์บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้เราเห็นแต่เราไม่พูดเพราะเหตุไดเพราะถ้าเราพูดไปคนทั้งหลายผู้ไม่เชื่ อ, เ, อเพราะเขาไม่เห็นเนีเขาก็ไม่เชื่อคําไม่เชื่อของเขานั้น จะเข้าจะทำให้เขาไปสู่นรกได้เพราะนั้นเราจึงไม่พูดสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เห็นอะไรก็จะพูดทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลแต่นีโมกคลาเห็นเราจึงรับรองว่าเราก็ได้เห็นเหมือนกันอย่างที่โมกคลาเห็นเพราะนั้นเพราะโมกคลาเห็นตามความเป็นจริงพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเปรตตัวนั้นเขาเขาทด้ ทำบาปกรรมอันไหนอันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าเปรตตัวนี้ตะกรอนเคยเป็นกาเป็นกาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะคนทั้งหลายเขาก็ไดมนพระพุทธเจ้ากัจสปะพร้อมกับพระสงฆ์ไปฉันในที่นิมนต์จากนั้นพระพุทธเจ้ากัสจปะพร้อมกับพระสงฆ์ขึ้นไปประจำที่นั่งจากนั้นเขาก็เอาบาทมาตั้งไว้ ผีน้องประชาชนจัตธาญาตโยมเขาก็มาตักบาตรพอตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นําบาตรขึ้นไปขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์คือบาตรองค์ไหนท่านก็จะถวายองค์นั้นอแต่นี้กามันอยู่ในละแวกนั้นเห็นเขากําลังจะอุ้มบาตรเขาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาจะเอาโอมบาทขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้ากษัตริย์กาตอนั้นกูบินลงมาโฉบลงมาเทืออุบาสกก็ไม่รู้จะวางบาดยังไงเพราะมันอุ้มบาททั้งสองมือแล้วก็มีฝาบาทนั่นะก็มันจะทํำยังไงกาก็เลยมาคาบเอาข้าวในบาทของอุบาสกไปกินแล้วก็โลกไม่คาบอีกคาบถึงสามครั้งกินถึงสามครั้งเรากิน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 แล้วก็ไม่จากหางมาถึงศีรษะแล้วก็ไฟลุกตรงกลางลามไปคนละข้างกันจากนั้นก็ไฟแต่ละข้างลามมาถึงจุดกลางแล้วก็ลามไปลามมาอย่างนั้นไฟมันลุกลามไปอย่างนั้นไฟมันลุกลามไปลุกลามมาจากศีรษะจนถึงหางจากถึงหางมาถึงหัวนี่แหละได้รับทุกทรมานอันนี้คือบากบาป ก, กรรมพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่า บาปกรรมอย่าทำจะเลยดีกว่าความชั่วอย่าทำเะเลยดีกว่านะ เ, นเมื่อทำไปแล้วกรรมนั้นจะตามจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเมื่อเขาทำเมื่อเขาทำกรรมกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเขาก็ ย, ยังพูดได้เหมือนกับเราทานกินยาพิษเข้าไปในท้องเราก็พูดได้ว่าเอ๊ะทำไมเรากินยาพิษเรากินยาเข้าไปไม่เห็นมันมีโทษไม่มีโทษอะไร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 แต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของหลวงพ่อเออลิงเออเมื่อจะกินก็เมึงหิวของมึงหลวงพ่อมาให้เป็นบาปเป็นกรรมนะลิงหน้าเกิดเป็นลิงก็ทุก ท, ทุกทรมานพอแรงแล้วตากแดดตากฝนทําไรทํานากินก็ไม่เป็นกินของธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกระดูกการบางครั้งก็ขาดบางทีบางตัวก็พร้อม พอไม่มีไม่มีอาหารกินบางตัวก็ขนหลุดลนอีกต่างหากอพอมันมีโอกาสมันพอจะได้กินก็อกินซะหลวงพ่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมหรือเลียงเอ้ยเป็นเป็นบาปเป็นใช้บาปใช้กรรมของเลี้ยงกับพอแรงอยู่แล้วจะมาใช้บาปใช้กรรมยนะกับครูบา ท, ทัา้งหลายอีกเก็ยิ่งจะเพิ่มบาปกรรมไปอีกฮะหลวงพ่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมนะแต่ครูบา ท, ทา้งหลายก็ ควรจะคิดอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะว่าคนเราสรรปะสั์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเนะี่ยต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรามีกรรมอยู่แล้วยิ่งเพิ่มกรรมชั่วเข้าไปอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นให้อภัยกันให้อยู่เย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเกิดพบใดชาติใดหมูใดกลุ่มใดก็ขอให้มีความสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณด้วยเทินเราต้องคิดอย่างนั้นนะอันนี้คือการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขทนหน้ากันแต่ว่าเรื่องจะเป็นจัดได้ผลยังไงนั้นอันนั้นก็สุดแท้แต่พรอมันกรรม เหมือนกขเราไปจับไฟแต่หลวงพ่อจะหลวงพ่ออินจะให้พรนขนาดไหนก็ให้เถอะเออจ้าอย่ร้อนนะเจ้าอย่าร้อนนะแต่ตัวเองไปจับไฟมันก็จะทำยังไงได้กรรมคือการกระทาถ้าเราไปจับไฟไฟคืร้อนเพราะนั้นพวกเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนเป็นไฟอันไหนสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้แก่ใจเพราะนั้นสิ่งไม่ดีอยาทำนะ ถ้าทำเข้าไปแล้วจะ ถ, ถึงหลวงพ่อจะให้พรอย่าร้อนอย่าร้อนมันก็ร้อนอย่างเก่านะลูกหลานณนัตธาญาติโยมนะเพราะนั้นกรรมชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วตัวเองตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันรับพรนอนุโมทนาให้พร